หนึร้ปวรณาถับปณะนะว่าด้วยการงดปรวรณาเรื่องพระชาวพคีมีอาบัตติดตัวปรวรณาข้อสองร้สามสิสมัยนั้นพวกภิกษุชาวพคีมีอาบัติติดตัวปรวรณาภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุมีอาบัตติดตัวไม่พึงปรวรณารูปใดปรวรณาต้องอาบัติทุบกฎ ภิกษุทั้งหลายภิกษุใดมีอาบัติติดตัวปรวรณาเราอนุญาตให้ขอโอกาสแล้วโจทย์ภิกษุนั้นด้วยอาบัติเรื่องไม่ยอมให้โอกาสสมัยนั้นพวกภิกษุชาวบัคีถูกสงขอโอกาสก็ไม่ปรารถนาจะให้โอกาสภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้งดปรวรณาแก่ภิกษุผู้ไม่ยอมให้โอกาส วิธีงดปวารณาภิกษุทั้งหลายก็แลส่สงพึงงดปวารณาอย่างนี้ในวันปวารณานั้น14ค่ำหรือ15้าค่ำนั้นเมื่อภิกษุนั้นอยู่พร้อมหน้าภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ท่ามกลางทสงว่าท่านผู้เจริญภิกษุชื่อนี้มีอาบัติติดตัวข้าพเจ้าของงดปวารณาของภิกษุนั้นเสียเมื่อภิกษุนั้นยังอยู่พร้อมหน้าสงไม่พึงปวารณาเท่านี้เป็นอัน ได้งด ป, ปรณนาแล้วเรื่องพระชาวพกคีงดปรนนาของภิกษุบริสุทธิ์สมัยนั้นพวกภิกษุชาวพกคีปรึกษากันว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลดีงามจะงดปรณนาแก่พวกเราจึงชิงงดปรณาแก่ภิกษุทั้งหลายผู really <way> ้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเพราะเรื่องอันไม่ควรเพราะเหตุอันไม่ควรเสียก่อนทั้งงดปรรนาแก่ภิกษุทั้งหลายที่ปรนนาเสร็จแล้วด้วย ภิกษุท hmm. ั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงงดปรณาแก่ภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเพราะเรื่องอันไม่ควรเพราะเหตุอันไม่ควรรูปใดงดต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายไม่พึงงดปรณาแก่ภิกษุทั้งหลายที่ปรณาเสร็จแล้วรูปใดงดต้องอาบัติทุกกฎเรื่องลักษณะปรณาที่ไม่เป็นอันงด พ่นอ้อยสามนนิกษุทั้งหลายปวรณาเป็นอันงดอย่างนี้ไม่เป็นอันงดอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายปวรณาไม่เป็นอันงดอย่างไรภิกษุทั้งหลายในการปรวรณาสามหนถ้าภิสูตกล่าวเปล่งคำปรวรณาออกมาจนจบเสร็จสิ้นแล้วจึงงดปรวรนาปวรณ า, รวาไม่เป็นอันงดภิกษุทั้งหลาย ในการปภาวนาสองหนถ้าภิกษ ào, itative, ุกล่าวเปล่งคำภาวณาออกมาจนจบเสร็จสิ้นแล้วจึงงดภาวนาภาวนาไม่เป pues. weg, ็นอันงดภิกษุทั้งหลายในการปภาวณาหนเดียวถ้าภิกษุกล่าวเปล่งคำภาวณาออกมาแต่ยังไม่จบเสร็จสิ้นแล้วจึงงดปภาวณาภาวนาไม่เป็นอันงดภิกษุทั้งหลายในการภารณามีพรรษาเท่ากันถ้าภิกษุกล่าวเปล่งคำภาวณาออกมาจนจบเสร็จสิ้นแล้ว จึงงดวาวณาภารณาไม่เป็นอันงดภิกษุทั้งหลายปวาวณาไม่เป็นอันงดอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายปราวนาเป็นอันงดอย่างไรภิกษุทั้งหลายในการปรวาสามหนถ้าภิกษุกล่าวเปล่งคำวาวณาออกมาแต่ยังไม่จบสิ้นงดปวาวณาภาณาเป็นอันงดภิกษุทั้งหลายในการปราวณาสองหน ถ้าภิกษุกล่าวเปล่งคำปวารณาออกมาแต่ยังไม่จบเสร็จสิ้นงดปวารณาปวารณาเป็นอันงดภิกษุทั้งหลายในการปวารณาหนเดียวถ้าภิกษุกล่าวเปล่งคำปวารณาออกมาแต่ยังไม่จบเสร็จสิ้นงดปวารณาปวารณาไม่เป็นอันงดภิกษุทั้งหลายในการปวารณามีพันสาเท่ากันถ้าภิกษุกล่าวเปล่งคำปวารณาออกมาแต่ยังไม่จบสิ้น งดภารณาปภาวณาเป็นอันงดภิกษุทั้งหลายปภาวณาเป็นอนงดอย่างนี้แลเรื่องงดปภาวณาของภิกษุข้อ237ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในวันภาวณานั้นภิกษุงดปภาวณาของภิกษุเสียถ้าภิกษุเราอื่นรู้จักภิกษุนั้นว่าท่านรูปนี้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์ มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์เป็นผู้เขาไม่ฉลาดเมื่อถูกสัามไม่อาจตอบข้อสัามทรงพึงวักกล่าวห้ามว่าพอทีภิกษุอย่าทุ่มเทียงกันอย่าทะเลาะ ก, กันอย่าแก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันเลยแล้วจึงปวารณาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุงดปวารณาของภิกษุเสียถ้าภิกษุเราอื่นรู้จักภิกษุนั้นว่า ท่านรูปนี้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์เป็นผู้เขาไม่ฉลาดเมื่อถูกซักถามไม่อาจตอบข้อซักถามสงเพืองกล่าวห้ามว่าพอทีภิกษุอย่าทุ่มเถียงกันอย่าทะเลาะกันอย่าแก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันเลยแล้วจึงปัววรณาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันปัววรณานั้นภิกษุงดปัววรณาของภิกษุเสีย ถ้าภิกษุเราอื่นรู้จักภิกษุนั้นว่าท่านรูปนี้มีความประพฤติ ท, ทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติ ท, ทางวาจาบริสุทธิ์แต่มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์เป็นผู้เค้าไม่ฉลาดเมื่อถูกซักถามไม่อาจตอบข้อซักถามทรงเพึงกล่าวห้ามว่าพอทีภิกษุอย่าทุ่มเทียงกันอย่าทะเลาะ ก, กันอย่าแข่งแย่งกันอย่าวิวาทกันเลยแล้วจึงประวรณาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ในวันปวัฒนานั้นภิกษุงดปวัฒนานของภิกษุเสียถ้าภิกษุเหลือเกินรู้จักภิกษุนั้นว่าท่านรูปนั้นมีความประพฤติ ท, ทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติ ท, ทางวาจาบริสุทธิ์มีอาชีวะบริสุทธิ์แต่เป็นผู้เขาไม่ฉลาดเมื่อถูกสักถามไม่อาจตอบข้อสักถามทรงพึงกล่าวห้ามว่าพอทีภิกษุอย่าทุ่งเถียงกันอย่าทะเลาะ ก, กันอย่าแก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันเลย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 สามารถตอบข้อสักถามได้สงพึงถามภิกษุนั้นว่าท่านท่านงดภารณาของภิกษุนี้ทาไมงดเพราะเรื่องอะไรงดเพราะศีลบวิบัติหรืองดเพราะอาชารวิบัติหรืองดเพราะทิฏฐิวิบัติถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าผมงดเพราะศีลบวิบัติบ้าง <ắng> งดเพราะอาชารวิบัติบ้าง <ắng> งดเพราะทิฏฐิวิบัติบ้างสงพึง ถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าครุศีลวิบัติหรือ ร, รู้อาจารวิบัติหรือรู้ทิฏฐิวิบัติหรือถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมรู้ศีลวิบัติรู้อาจารวิบัติรู้ทิฏฐิวิบัติทรงพึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านก็ศีลวิบัติเป็นอย่างไรอาจารวิบัติเป็นอย่างไรทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไรถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว <|so|> ่า ปาราชิกสี่สังฆาทิเศตสิสามนี้ชื่อว่าศีลวิบัติทุลใจปาจิตตีปาฏิเทศนิยะทุกกฎทุกภาสิทธิ์นี้ชื่อว่าอาจารวิบัติมิชัทิฐิอันตคา ห, หิกะทิฐินี้ชื่อว่าทิฐิวิบัติสงพึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านท่านงดปวารณาของภิกษุนี้ทําไมงดด้วยได้เห็นหรืองดด้วยได้ยินหรือ งดด้วยนึกสงสัยหรือถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่างดด้วยได้เห็นบ้างงดด้วยได้ยินบ้างงดด้วยนึกสงสัยบ้างสงเพิ่งถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านท่านงดปราวณาของภิกษุนี้ด้วยได้เห็นอย่างใดท่านเห็นอะไรท่านเห็นว่าอย่างไรท่านเห็นเมื่อไรท่านเห็นที่ไหนภิกษุนี้ต้องอาบัติปารชิกท่านเห็นหรือ ภิกษุนี้ต้องอบัตสังฆทิเศตท่านเห็นหรือภิกษุนี้ต้องอบัตทุลใจอบัตปาจิตตีอบัตปาฏิเทศนิยะอบัตทุกกดอบัตทุกภาสิทธท่านเห็นหรือท่านอยู่ที่ไหนภิกษุนี้อยู่ที่ไหนท่านทําอะไรภิกษุนี้ทําอะไรถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมมิได้งดปรารณาของภิกษุนี้ด้วยได้เห็นดอก แต่ผมงดปรนน่าด้วยได้ยินต่างหากทรงเพิ่งถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งงดปรนน่าของภิกษุนี้ด้วยได้ยินอย่างไดท่านได้ยินอะไรท่านได้ยินว่าอย่างไรท่านได้ยินเมื่อไรท่านได้ยินที่ไหนท่านได้ยินว่าภิกษุนี้ต้องอบัตตปารชิกหรือได้ยินว่าภิกษุนี้ต้องอบัตตสังฆาทิเศตหรือได้ยินว่าภิกษุนี้ต้องอบัตทุลจัยอบัตปาจิตีอบัตปาริเทศนิยะ อาบัตทุกกอาบัตถุภาสิท์ได้ยินจากภิกษุหรือได้ยินจากภิกษุณีหรือได้ยินจากศิขามานาหรือได้ยินจากสามณเณรหรือได้ยินจากสามณเณรีหรือได้ยินจากอุบาสกหรือได้ยินจากอุบาสิกาหรือได้ยินจากพระราชาทั้งหลายหรือได้ยินจากราชมหาอามาตทั้งหลายหรือได้ยินจากพวกเดรรทีหรือได้ยินจากพวกสาวกเดรรทีหรือ ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่ได้งดปรารณาของภิกษุนี้ด้วยได้ยินดอกแต่ผมงดปรารณาด้วยนึกสงสัยต่างหากทรงเพิงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านท่านงดปรารณาของภิกษุนี้ด้วยนึกสงสัยอย่างใดท่านนึกสงสัยอะไรท่านนึกสงสัยว่าอย่างไรท่านนึกสงสัยเมื่อไรท่านนึกสงสัยที่ไหนท่านนึกสงสัยว่าภิกษุนี้ต้องอาบัตรปาราชิกหรือ นึกสงสัยว่าภิกษุนี้ต้องอ บ, บัตสังคาที่เศษหรือนึกสงสัยว่าภิกษุนี้ต้องอ บ, บัตทุลใจ cht, อ บ, บัตปารจิตีอบัตปารติเทศนิยะอ บ, บัตทุกฎอ บ, บัตทุพาสิทธหรือท่านได้ยินจากภิกษุแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากภิกษุณีแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากสิขามานาแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากสามเนะแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากสมเนรีแล้วนึกสงสัยหรือ ได้ยินจากอุบาสกแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากอุบาสิกาแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากพระราชาทั้งหลายแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากราชมหาอมาตย์ทั้งหลายแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากพวกเดรทีแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากพวกสาวกเดียรทีแล้วนึกสงสัยหรือถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่ได้งดประวรณาของภิกษุณีด้วยนึกสงสัย อีกทั้งผมก็ไม่ทราบว่าผมงดปรณนาของภิกษุนี้ด้วยเหตุอะไรฟังคำปฏิญญาของโจ์และจำเลยภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้เป็นโจ์นั้นตอบข้อซักถามไม่เป็นที่พอใจของเพื่อนพรหมจรรีผู้รู้ทั้งหลายสงเพึงบอกว่าท่านไม่ควรฟ้องภิกษุจำเลยภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุผู้เป็นโจทย์นั้นตอบข้อสักถามเป็นที่พอใจของเพื่อนโพรมจารีผู้รู้ทั้งหลายทรงพึงบอกว่าท่านควรฟ้องภิกษุจำเลยภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้เป็นโจทย์นั้นปฏิญญาว่าภิกษุนั้นถูกตนใส่ความด้วยอาบัติปาราชิกอันไม่มีมูลทรงพึงปรับอาบัติสังฆธิเสตแล้วจึงประวรณาภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุผู้เป็นโจ์นั้นปฏิญญาว่าภิกษุนั้นถูกตนใส่ความด้วยอาบัตสังคาทิเศษอันไม่มีมูลทรงพึงปรับอาบัตตามธรรมแล้วจึงปวรณาภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้เป็นโจทย์นั้นปฏิญญาว่าภิกษุนั้นถูกตนใส่ความด้วยอาบัตทุลใจอันไม่มีมูลด้วยอาบัตปจิตตีด้วยอาบัตปาติเทศนิยะด้วยอาบัตทุกฏด้วยอาบัตทุพภาสิทิ์อันไม่มีมูลทรงพึงปรับอาบัติตามธรรมแล้วจึงปวรณา ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจำเลยนั้นปฏิญญาว่าข้าพเจ้าต้องอบัติปาราชิกพึงนาสนะเสียแล้วจึงปวารณาภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจำเลยนั้นปฏิญญาว่าข้าพเจ้าต้องอาบัตสังฆธิเศตสงพึงปรับอบัติสังฆธิเศตแล้วจึงปวารณาภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจำเลยนั้นปฏิญญาว่าข้าพเจ้าต้องอบัติทุลใจต้องอบัติปาจิตตีต้องอบัติปารติเทสนิยะต้องอบัติทุกกฎต้องอบัติทุกภาสิต ทรงพึงปรับอาบัตตามธรรมแล้วจึงประวรณา